บทที่ยี่สิบเอ็ดคนเลี้ยงนกยูงกับทิดาเศรษฐีเมืองเวทิดและแล้วอโศกก็กล่าวว่าประธานโทษเถิดนางผู้เจริญข้าพเจ้าสงสัยใคร่ถามว่าเมื่อฝนตกสตรีอื่นพากันวิ่งหนีแต่ท่านเดินมาอย่างเชื่องช้า ไม่ได้แสดงอาการเร่งร้อนแต่ประการใดท่านมีเหตุผลส่วนตัวอะไรหรือในการกระทําเช่นนี้นางผู้งามพร้อมจึงกล่าวตอบว่าเหตุที่ข้าพเจ้ากระทําดังนั้นก็ด้วยสำนึกว่าสมบัติอันมีค่าที่สุดของมนุษย์คือร่างกายเสื้อผ้าอภรรต่างๆเมื่อเปียกแล้วก็ตากให้แห้งได้ง่ายถ้าข้าพเจ้าวิ่งหนีฝน หากพลาดพลั้งถึงแขนขาหักจะลำบากมากกว่ายอมให้อภรเปียกอวัยวะต่างๆมีแขนขาเป็นต้นนี้มารดาบิดาเฝ้าถนอมมาแต่เล็กแต่น้อยถ้าพลาดพลั้งไปท่านจะเสียใจมากอีกอย่างหนึ่งนางกล่าวต่อไปข้าพเจ้าได้รับการอบรมศึกษามาว่านักพรสเช่นพระสงค์เป็นต้น 1พระราชาหนึ่งสตรีหนึ่งช้างทรงของพระราชาหนึ่งสีจ่จำพวกนี้เมื่อวิ่งดูไม่งามและเป็นที่ตำหนิของคนทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกอย่างนี้แม้เมื่อฝนตกอยู่ก็มิได้วิ่งขณะที่นางกำลังพูดอยู่นั่นเองอโศกได้สังเกตเห็นฟันอันขาวสะอาด วางเรียบสมลักษณะเป็นจักรยานีโบราณคำภีกล่าวว่าสตรีผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้ย่อมอำนวยความสุขแก่สามีอย่างลนเหลือและมีบุตรดีดังนั้นอโศกจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านที่กรุณาอธิบายให้ข้าพเจ้าหายสงสยัยสุภาพสตรีเหล่านี้เห็นจะเพื่อนของท่านกระมัง หาไม่ได้นางตอบหญิงเหล่านี้เป็นบริวารของข้าพเจ้าพอดีขณะนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาเธอมีพวงมาลัยมาด้วยจํานวนมากอาโศกสงสัยว่าพวงมาลัยนั้นคงจะขายจึงเดินเข้าไปถามน้องหญิงพวงมาลัยนี้ขายหรือขายค่ะเด็กหญิงตอบอโศกจึงขอซื้อพวงมาลัยที่งามที่สุด มามอบให้หญิงสาวผู้งามพร้อมพรางกล่าวข้าพเจ้าเป็นคนต่างเมืองเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองเวทิตก็พอดีเป็นเวลานักขัดตะเลิกไม่ได้เตรียมอะไรมาขออภัยท่านด้วยที่ต้องซื้อของที่นี่ให้นางมองดูอโศกอย่างเพ่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจรับพวงมาลัยจากเขา การที่สตรียอมรับพวงมาลัยจากชายในงานมงคล น, นักขัดเลิกเป็นเครื่องหมายว่าไม่รังเกียจในการจะคบกันต่อไปและแม้จะมีการสู่ขอทางผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงก็ไม่ขัดข้องเมื่อฝนหายนางกลับบ้านอโศกและศิีครินตามไปด้วยเมื่อถึงบ้านนางเห็นแผ่นป้ายที่เขียนไว้ตรงซุ้มประตูเข้าปราสาทว่า เวทมานกเศรษฐีอโศกก็ทราบทันทีว่าสาวงามที่ตนมอบพวงมาลัยให้นั้นคือทิดาของเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองเวทิตเขาขอเข้าพบท่านเศรษฐีและเล่าให้ฟังว่าเขาเดินทางมาจากนครปาตาลีบุตรต้องการไปเมืองอุตเชนีแต่สเสบียงอาหารและเงินทองที่ติดตัวมาหมดไม่อาจเดินทางต่อไปได้ จึงไคร้ขอความกรุณาท่านเศรษฐีขอทำงานเพื่อค่าจ้างสาหรับเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปเวทมนกเศรษฐีเห็นลักษณะของอโศกและศีครินแล้วเนื่องจากเป็นผู้มีวัยสูงและเคยปกครองคนมามากจึงนึกในใจว่าชายหนุ่มสองคนนี้มีหน่วยกา้านแห่งผู้มีตระกูลและดูท่าทางเป็นผู้มีการศึกษาสูงถ้าอย่างนี้ ถึงจะตกต่ำลงไปบางครั้งก็คงจะตั้งตัวได้ในไม่ช้านักท่านทั้งสองเป็นพี่น้องกันหรือเศรษฐีถามหาไม่ได้เราสองคนเป็นเพื่อนกันอโศกตอบจะทำงานรับจ้างนะ่ะพอทำอะไรได้บ้างทำอะไรก็ได้ตอนอยู่บ้านเคยทำสวนแต่นอกจากทำสวนทำอย่างอื่นก็ได้อโศกตอบ เวทมนกเศรษฐีให้เรียกหัวหน้าคนสวนมาเขาชื่อกาลิกเป็นคนอ้วนใหญ่ไว้หนวดคลายาวในตาดุคนสวนกลัวกันทุกคนกาลิกท่านเศรษฐีพูดครับผมเขารับเสียงดังสองคนนี้จะมาขอทำงานชั่วคราวและจะเดินทางต่อไปนครอุจเชนีงานสวนพอมีไหม เมื่อสองสามวันนี้มีคนสวนออกไปคนหนึ่งครับผมกําลังหาคนใหม่อยู่แต่รับได้คนเดียวเพราะคนสวนออกไปคนเดียวกาลิกตอบเหลียวมองสองสหายนิดหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งจะให้เขาทำอะไรเศรษฐีถามไม่มีครับ ผมไม่มีอะไรให้ทำกาลิกตอบขอทำสองคนไม่ได้หรือศิกรินถามหัวหน้าคนสวนแล้วค่าจ้างละ่ะกาลิขหันมาถามสิครินแล้วหันมามองท่านเศรษฐีเป็นเชิงขอความเห็นเอาอย่างนี้ก็ได้อโศกเสนอความเห็นคือเราทำงานให้สองคนจะได้งานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแต่ขอรับค่าจ้างเพียงคนเดียว อีกคนหนึ่งทําให้เปล่าเปล่าใครจะเป็นคนทําให้เปล่าเปล่าเศรษฐีถามข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะทําให้เปล่าเปล่าส่วนค่าจ้างให้เป็นของเพื่อนข้าพเจ้าก็แล้วกันอโศกตอบยืนยันจะไม่เอาเปรียบท่านเกินไปหรือเศรษฐีปรารภไม่เป็นไรครับสมยอมการสมยอมไม่ถือว่าเอาเปรียบอโศกตอบ ข้าพเจ้าเป็นคนทำให้เปล่าดีกว่าสิครินตอบสองคนนี้รักกันดีจริงเศรษฐีพูดแล้วยิ้มน้อยๆมีแต่คนเขาเกี่ยงเอาค่าจ้างมากๆนี่เกี่ยงกันไม่เอาค่าจ้างกาลิกนึกให้ดีสิพอมีงานอะไรไหมไม่มีครับผมนึกไม่ออกงานเลี้ยงนกยูงล่ะเศรษฐีถามออ เห็นพอมีทางครับผมกาลิกพูดได้ยินคนเลี้ยงนกยุงบ่นอยู่ว่านกยูงมีมากตัวด้วยกันเลี้ยงคนเดียวไม่ค่อยไหวดูแลไม่ทั่วถึงถ้าให้ไปเลี้ยงนกยุงเสีักคนก็คงจะดีเป็นอันว่าเศรษฐีรับไว้ทั้งสองคนคนหนึ่งทำสวนอีกคนหนึ่งช่วยเลี้ยงนกยุงส่วนใครจะทำอะไรให้ไปปรึกษากันเอง การลิกพาสองสหายไปพักที่เรือนพักคนทำสวนซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับเรือนพักของคนเลี้ยงนกยูงเป็นสวนที่ใหญ่โตมากบริเวณกว้างขวางมีหมู่ไม้นานาพันทั้งไม้ดอกไม้ผลเสียงนกต่างๆร้องอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่กันตามลําพังสีครินก็เอ่ยขึ้นว่าทรงนึกสนุกอะไรขึ้นมาถึงมาสมัครทำงานรับจ้าง เดี๋ยวเขาก็จับได้ขึ้นมาก็สนุกกันละคงอยู่ไม่กี่วันดอกอโศกตอบอยากอยู่ดูลูกสาวเศรษฐีอย่างใกล้ชิดเราเชื่อว่าเขาดีจริงแต่การได้อยู่ใกล้แม้เพียงบริเวณเดียวกันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือไม่ทรงเกรงเสด็จพ่อกลิ้วหรือศีครินยาวอาโศกยิ้มแต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับฐานศีครินว่า แล้วใครจะทําสวนใครจะเลี้ยงนกยูงหม่อมชั้นทําสวนขุดดินพวุนดินตอนต้นไม้พระองค์ทรงเลี้ยงนกยูงก็แล้วกันสบายหน่อยสีครินออกความเห็นเรื่องงานหนักน่าไม่กลัวดอกแต่เมื่อสีครินชอบทําสวนก็ตามใจอโศกสรุปแล้วอย่าไปพูดพระองค์พูดหม่อมชั้นให้ใครได้ยินเข้านะระวังหน่อย เดี๋ยวพวกนั้นเขาจะเข้าใจว่าเราเล่นละครฝ่ายที่ดาเศรษฐีเมื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วนั่งพักอยู่ในห้องส่วนตัวของนางใจคำนึงถึงชายหนุ่มแปลกหน้าอยู่ไม่เว้นวายเธอบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทาไมเธอกังวลถึงเขาอะไรทาให้เธอรับพวงมาลัยจากเขาเป็นธรรมดาของสตรีที่เริ่มจะรักใครสักคนหนึ่ง เธอมักไม่ค่อยรู้บอกตัวเองไม่ถูกว่าเธอสนใจอะไรในตัวเขาทาั้งๆที่บางทีเขาคนนั้นรูปก็ไม่งามเท่าคนอื่นกิริยาท่าทางก็ไม่ภาคภูมิเหมือนคนอื่นแต่เธอก็สนใจและเธอบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้เธอสนใจเขาเป็นห่วงเขาเธอเรียกหญิงรับใช้เข้ามาแล้วถามว่าชายแปลกหน้าสองคนกลับแล้วหรือยังอยู่ เขามาสมัครทำงานค่ะหญิงรับใช้ตอบได้ยินว่าจะเดินทางไปอุดเชนีแต่สเสบียงหมดเงินไม่มีจึงขอทำงานเอาเงินค่าจ้างแล้วจะลาไปแล้วคุณพ่อว่าอย่างไรธิดาเศรษฐีถามมีแววกังวลอยู่บนใบหน้าท่านเศรษฐีรับไว้ทั้งสองคนค่ะให้เขาทำงานอะไรทราบไหมได้ยินว่าคนหนึ่งทำสวน อีกคนหนึ่งเลี้ยงนกยุงค่ะเวทิสาธิดาแห่งเวทมานกเศรษฐีมองไปทางหน้าต่างถอนหายใจเบาๆเธอคิดในใจว่าจะรักเขาได้หรือเมื่อเขาเป็นเพียงคนทําสวนและคนเลี้ยงนกยุงแต่เรื่องความรักความสนใจเป็นเรื่องที่พูดกันยากอธิบายเหตุผลกันไม่ได้ จึงมักปรากฏแก่สายตาของสังคมเสมอที่สตรีไปรักคนที่สังคมมองเห็นว่าไม่น่าจะรักที่ตรงไหนก็แล้วคนที่ท่านผู้วิจารณ์คนอื่นกำลังรักคนกำลังหลงอยู่นั่นเล่าเขาได้สอบถามคนทั้งโลกแล้วหรือว่าคนที่ควรจะรักและหลงความจริงมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งคนอื่นไม่น่าจะไปออกความเห็นให้รุมรังยืดยาว เมื่อเขาสามารถครองกันโดยสงบสุขก็ควรจะพอใจแล้วทุกทุกเชา้าเวทิสาจะลงไปชมสวนดอกไม้เธอทำมาก่อนที่ชายแปลกหน้าทั้งสองจะมาพักอาศัยและเมื่อเขามาอยู่แล้วเธอก็ทำเป็นปกติอย่างเคยและทุกทุกเช้าก็เช่นกัน เธอจะได้รับพวงมาลัยซึ่งร้อยด้วยดอกมะลิและดอกรักจากคนเลี้ยงนกยุงคนใหม่แทนที่จะเป็นคนเฝ้าสวนเธอจะยิ้มให้เขาและขอบใจในความเ อ, อ, อื้ออาทรเพราะเธอไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากคนทำสวนหรือคนเลี้ยงนกยุงคนใดมาก่อนเมือ่อมอบพวงมาลัยให้แล้วเขาจะยืนมองดูเธอจนกว่าจะเดินลับสายตาไป และเหลียวกลับไปใส่ใจกับนกยูงอย่างเดิมถ้าวันไหนเบธิสาไม่ได้ลงไปชมสวนดอกไม้เวลาเช้าเธอก็จะลงไปเวลาเย็นและในเวลาเย็นนั่นเองเธอคงจะได้รับพวงมาลัยอย่างที่เคยได้รับดูเ้าชอบมองเธอเสียจริงๆมองอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อแต่ไม่ค่อยพูดอะไรนอกจากถูกถาม ทำไมจึงทําให้สองพวงเย็นวันหนึ่งเวทิสาถามคนเลี้ยงนกยูงเมื่อรับพวงมาลัยจากเขาแล้วพวงหนึ่งร้อยด้วยดอกมะลิมีความหมายถึงท่านอีกพวงหนึ่งร้อยด้วยดอกรักหมายถึงข้าพเจ้าเขาตอบไม่มีอาการยำเกรงเธอแม้แต่น้อยไม่เหมือนคนอื่นๆซึ่งมักแสดงอาการพี่นอพิทาวเสียจนเธอรู้สึกกาคาญ แล้วรวมกันมีความหมายว่าอย่างไรเวทิสาถามหมายความว่าข้าพเจ้ารักท่านเขาตอบแต่หญิงสาวพูดเท่านั้นแล้วก็พูดอะไรไม่ออกอีกแต่ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนเลี้ยงนกยูงของบิดาท่านใช่ไหมหญิงสาวรับข้าพเจ้าไม่ควรจะรักท่านอย่างนั้นหรือเขาถามจ้องหน้าหญิงสาวมากขึ้นท่านคิดเอาเองเถิด เวทีสาตอบท่านให้ข้าพเจ้าคิดข้าพเจ้าก็คิดข้าพเจ้ารักท่านได้เขาตอบทำไมท่านจึงไม่เจียมตัวคิดมารักคนที่ไม่มีโอกาสจะสมหวังข้าพเจ้ามีสิทธิจะรักใครก็ได้เขาตอบแต่คนอื่นก็มีสิทธิจะไม่รักท่านได้เช่นกัน ธิดาเศรษฐีนึกสนุกขึ้นมาในการต่อปากต่อคำกับชายแปลกหน้าผู้นี้ซึ่งโดยความจริงเธอละอายเกินไปที่จะพูดเรื่องรักรักใครๆ้ๆกับชายหนุ่มใดๆแม้จะมีสักเสมอกันและในชีวิตสาวเธอไม่เคยมาก่อนเลยที่จะพูดเช่นนี้ข้าพเจ้าทราบข้อนั้นเขาตอบยืนตัวตรงเกือบจะเหมือนทหารยืนในแถว ข้าพเจ้าก็ให้สิทธิแก่ทุกคนที่จะไม่รักข้าพเจ้าแปลกที่ดาเศรษฐีนึกในใจผู้ชายส่วนมากหรือแทบทั้งหมดเมื่อรักผู้หญิงคนใดก็มักขอร้องวิงวอนให้หญิงนั้นรักตนให้เห็นแก่ความรักของตนพยายามขอความหวังให้หญิงให้ความหวังแก่ตนไว้บ้างแม้น้อยนิดก็ยังดีเพื่อเขาจะได้พยายามต่อไป แชายผู้นี้กลับพูดอย่างทรนมนงห้าวหาญในขณะยืนอยู่ต่อหน้าหญิงงามและอยู่ในฐานะนายจ้างของเขาเสียด้วยว่าให้สิทธิแก่ทุกคนที่จะไม่รักเขาเวทิสาได้สนใจชายแปลกหน้าผู้นี้อยู่ก่อนแล้วเมื่อมากระทบเรื่องเช่นนี้เขาก็ยิ่งเพิ่มความสนใจมากขึ้นเธอเห็นเขาเป็นคนแปลกแน่นอนทีเดียว สตรีย่อมให้ความสนใจแก่สิ่งแปลกและใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเพศที่ตื่นสมัยที่สุดชอบเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับบ่อยที่สุดก็คือเพศหญิงเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นเองอย่าไปลงโทษหรือเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยเพราะความนิยมของใหม่และของแปลก เธอจึงมักประดับกายด้วยอภร์ที่สีแปลกรูปทรงแปลกสะดุดตาชวนมองอย่าไปวิตกกังวลอะไรเลยนิยมการเสียบพักหนึ่งเห่อกันไปพักหนึ่งแล้วก็หายไปเองอีกวันหนึ่งตอนเย็นเช่นเดียวกันอาโศกเที่ยวเดินดูนกยูงให้อาหารมันดึงและกวาดอยากายที่กรงนกยุงบางตัว เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปหาสีครินซึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้เขาสนทนาหยอกล้อ ก, กันอยู่ภาคหนึ่งแล้วเดินกลับเขาผ่านซุ้มไม้เลื้อยมีต้นจำปาจำปีปลูกล้อมซุ้มไม้เลื้อนั้นอยู่หน้ารื่นรมเขาเห็นเวทิษานั่งร้อยมะลิอยู่ข้างหน้าเธอมีกองดอกมะลิกองโต มีสาวใช้คนหนึ่งนั่งช่วยร้อยมลิอยู่ใกล้ๆเขาเดินผ่านมาจึงแวะทําความเคารพนายตนและทักทายพอเป็นอัทยาศัยหญิงสาวอยู่ในชุดสีดอกตะแบกคลุมมาถึงข้อเท้าวันนี้พระจันทร์ขึ้นแต่ตอนเย็นพระอาทิตย์ยังไม่ตก เขาพูดแล้วจ้องมองมาทางหญิงสาวเวทิสาเป็นคนฉลาดรู้ว่าเขาพูดพลาดพิงถึงตนก็ละอายอยู่แต่แข็งใจพูดออกไปว่าท่านพูดอะไรอะไรให้ระวังบ้างควรสำนึกว่ากำลังพูดอยู่กับใครอโศกทำทีเป็นตกใจและกล่าวว่าข้าพเจ้าขออาภัยด้วย ถ้อยคากล่าวของข้าพเจ้าสักครู่นี้ไม่ต้องด้วยอัธยาศัยท่านข้าพเจ้าเป็นเพียงคนเลี้ยงนกยูงย่อมจะพูดจายอย่างลูกเศรษฐีไม่ได้ ย, ออย่อมหยาบประด้างไม่นิ่มนวลเหมือนชายหนุ่มตะกูลเศรษฐีเขาพูดกันเลือดฉีดขึ้นหน้าเวทีสาอย่างแรงเธออยากจะโกรธชายผู้โอหังคนนี้อยากจะบอกบิดาของนางให้ไล่ออกเสียแต่ มีอะไรบางอย่างเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้เธอไม่กล้าทําดังนั้นเพียงแต่เม้มริมฝีปากแน่นอโศกเห็นดังนั้นจึงบอกลาทําท่าจะก้าวเดินแต่หญิงสาวพูดขึ้นว่าเมื่อท่านจะรีบไปก็เชิญเถิดคำว่าเมื่อท่านจะรีบไปก็เชิญเถิดนั้นเมื่อออกจากปากของสตรีมักจะมีความหมายว่าเชิญนั่งก่อน ดังนั้นแทนที่จะเลยไปอโศกกลับนั่งลงใกล้ๆหญิงสาวจนหญิงสาวใช้ของเวทิสามองตาเขียวด้วยความไม่พอใจใครเชิญให้ท่านนั่งคะเวทิสาพูดเธอไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามีอะไรในตัวชายผู้นี้ที่ทำให้เธอไม่กล้ากระทาและไม่กล้าพูดกับเขาอย่างที่พูดกับคนสวนหรือคนใช้อื่นๆ ทิดาสาวแห่งเศรษฐีเมืองเวทิตชื่อเวทิสาเชิญให้ข้าพเจ้านั่งเมื่อท่านไม่พอใจก็ขอเชิญท่านลุกเสียเองเถิดอโศกพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆเวทิสาแทนที่จะโกรธในฐานะที่ชายผู้นี้มีศัก์เพียงเป็นคนเลี้ยงนกยูมมาบาังอาจไล่เจ้าของบ้านให้ลุกเธอกลับรู้สึกขันแกมันไส้ ในความทะนงของเขาเธอเป็นที่ดายแห่งเศรษฐีใหญ่และสวยอย่างที่หาใครเปรียบเทียบเสมอเหมือนมิได้ในเมืองเวทิตคุ้นแต่กับอาการเอาอกเอาใจการสารเสริญเยินยอและการพี่นอพี่เทาเธอรู้สึกจืดชืดต่อชีวิตทำนองนั้นเสียแล้วเมื่อมาได้รับรถแห่งชีวิตใหม่จึงรู้สึกสนุกเธอคิดเล่นๆว่า ถ้านายเฝ้านกยุงคนนี้มีศักดิ์เสมอกันเธอจะคลายความตะกิดตะขวงไปไมิใช่น้อยแต่อย่างนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึง่งในที่สุดเธอจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่ได้เชื้อเชิญท่านให้นั่งสักนิดข้าพเจ้าเพียงบอกว่าเมื่อท่านจะรีบไปก็เชิญเถิดอะไรทําให้ท่านตีความหมายว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านนั่งแต่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้าน กลับถูกไล่ให้ลุกขึ้นไปข้าพเจ้าจะลุกไปเดี๋ยวนี้แล้วว่าแล้วเวยทิสาก็ลุกขึ้นแต่เธอไม่ได้ก้าวเลยไปแม้แต่ก้าวเดียวเธอไม่ทราบว่าอะไรทำให้เธอต้องนั่งลงอีกพวกกู้ชายเขารู้กันมานานแล้วว่าธรรมดาสตรีนั้นมีน้อยครั้งเหลือเกินที่จะพูดตรงกับใจอโศกพูดเมื่อเวทิสานั่งลงแล้ว ดังนั้นเมื่อท่านพูดว่าเมื่อจะรีบไปไหนก็เชิญเถิดผู้ชายย่อมตีความว่าเชิญให้นั่งลงและอยากสนทนาด้วยข้อความที่ข้าพเจ้ากลาวนี้ท่านยังมีความเห็นแย้งอยู่หรือไม่ว่าไม่จริงคราวนี้ที่ดายแห่งเศรษฐีเมืองเวทิตโกรธจริงๆแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ลุกขึ้นไปเซ่ชัยเฉย อโศกมองตามนางด้วยความนิยมชมชื่นเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ทุกคนโกรธเมื่อผู้ชายรู้ความในใจตัวและหยิบยกมาพูดตรงๆแต่ดีแล้วเธอโกรธแต่ไม่ได้แสดงอาการหยาบคายทางวาจาเลยนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งสตรีที่งามทั้งร่างกายและจิตใจเราต้องการสตรีอย่างนี้ เมื่อกลับสู่ที่อยู่ของตนอโศกก็คิดบางทีสงสารเวทีสาอย่างจับจิตมีหลายครั้งที่เขาอยากจะแสดงตัวเสีีว่าเขาคือใครแต่ก็อยากจะทดลองต่อไปอีกจึงยับยั้งความคิดอันนั้นเสียเขาหวนคิดถึงชโลธราชโล ท, า ร, าโลทาราสาวงามบ้านป่าซึ่งเขาเกี่ยวข้องด้วย และเคยพูดนับครั้งไม่ถ้วนว่ารักเธอแต่เมื่อเขารู้จักชโลทรานั้นเขาเต็มไปได้วยความอ่อนหวานนิ่มนวลเอาอกเอาใจแต่เมื่อมาถึงเวทิสาเขากลับปฏิบัติตนตรงกันข้ามแน่ละจะทำให้เหมือนกันไม่ได้เขาฉลาดพอเขาเข้าใจดีว่าสตรีอยู่ในสภาพอย่างไร ควรติดต่อกับเธอด้วยลักษณะการอย่างไรชโลธราและเวทิสามีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันชโลธราถูกทอดทิ้งให้ว้าเวเดียวดายไม่มีความทนงตนในเรื่องใดๆเลยคนอยู่ในสภาพอย่างนั้นย่อมต้องการสิ่งหนึ่งเหลือเกินสิ่งนั้นคือความเห็นใจจากใครสักคนหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ว้าเวจนเกินไป แต่เวทีสามีสภาพเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ตรงกันข้ามจะเอาชนะใจเธอด้วยวิธีเดียวกันได้อย่างไร